พรุงแต่งรู้ท่านี้หลงรู้กับรู้ว่าหลงนะคะ่ะท่านี้ของโยมก็เข้าใจว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี้ยก็คือคอยรู้ ในระหว่างวันก็รู้สึกตัวบ้างหลงไปบ้างแต่หลงไปปุ๊บ ก, ก็ช่างมันแล้วก็มารู้ใหม่คือไอ้การคาควรว่าเมื่อกี้ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะไม่มีมันก็จะหายไปเรื่อยๆมีความรู้สึกว่าที่แล้วก็แล้วไปรู้สึกตัวแล้วก็กลับมารู้ปัจจุบันเลย mm hmm. แล้วก็หลงแล้วก็กลับมารู้อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เมื่อก่อนเนี้ยเคยเพ่งเอาไว้เยอะ mm hmm. แล้วก็ติดสงบ เวลาจะไปปฏิบัติตรงไหนที่เคยสงบเนี่ยมันติดแต่ว่าจะต้องไปที่นั่นเวลางานหยุดปุ๊บเนี่ยปิดหลายๆวันต้องไปที่ตรงนี้เพราะรู้สึกว่ามันให้ความสงบมากแต่พอตอนหลังมารู้โทษของความสงบอะค่ะมาเข้าใจเรื่องสมถะคือการทําอะไรวิปัสนาคือการทําอะไรก็เลยเพิ่งมาเข้าใจว่าโอ้โหที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่เรียกว่าวิปัสนาแล้วเราไปทําวิปัสนาเนี่ยเราทําผิดหมดเลย เพราะเราทำสมาถะไว้ตอนนี้มันก็เลยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยยอมนั่งสมาธิค่ะเพราะนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะนั่งไม่ได้นานมันจะเอาแต่รู้สึกตัวมันไม่ยอมลงไปสมาธิเหมือนที่เราเราเคยทำได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีความอดทนสูงในการนั่งดูเวทนาพอดูไปแล้วมันตอนนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องของตัวกล่ะค่ะก็เลยรลอเลย รอที่จะดูเวทนามาเมื่อไหร่เป็นกระหนกอย่างเนี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันกลับไม่ลงเป็นแบบนั้นอีกเลยถึงแม้ว่าเราจะนั่งสมาธิแต่มันไม่ไม่ลงไปเลยไม่ยอมลงไปเลยก็เลยกลายเป็นไม่ชอบนั่งสมาธิตอนนี้เป็นพยายามที่จะเดินแล้วให้รู้สึกตัวค่ะมันมีตัวในค่ะตัวใน ตัวผู้ดูผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ไม่เข้าใจผู้มีอารมณ์ตัวผู้ดูผู้รู้ผู้เข้าใจ น, ในั่นแหละในตัวเนี้ยให้ปล่อยวางมันรู้ ร, รู้เห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นตัวปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางมันมีตัวในอ่ะตัวในมาคอยเป็นคอ ย, คอยดูคอยเช็คคอยตรวจสอบเหมือนกับเราจะปฏิบัติธรรมแล้วเราก็คอยเดินดูคอยตรวจสอบพระธีมาผู้มาปฏิบัติธรรมเราเออคอยเดินดูคอย คอยรู <females> know, <cat> ้คอยตรวจสอบแล้วก็อันไหนถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็บนแล้วก็ว่าล้วก็งดกิจอันนี Ka ้ถูกใจอันนี้ไม่ถูกใจอย่างงั้นแหละแต่ตัวปัญหามันไม่ได้ไปอยู่ที่สิ่งที่ถูกดูถูกรู้ถูกเห็นว่ามันจะดีหรือไม่ดีจะถูกใจหรือไม่ถูกใจปัญหามันอยู่ใจมันอยู่ที่ตัวเราผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็บ่นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ ปัญหามันอยู่ตรงที่ตัวเราผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นว่าสิ่งนี้มันดีสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนี้มันเหมาะสมสิ่งนี้มันไม่เหมาะสมสิ่งนี้มันเป็นอย่างไรเราเนี่ยเห็นตัวนี้ไหมถ้าเราเห็นตัวนี้เราก็ปล่อยวางไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตัวเราตัวเราผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปจัดการสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหงุดหงิดไปพอใจไม่พอใจไปดูไปรู้ไปเห็นแล้วก็เกิด ความพอใจเม่พอใจความคิดความตึกตอนจะต้องแก้ขาจะต้องปรับปรุ ง, จ ะ, อ ง, อ ง, งจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เห็นตัวเราตัวเนี้เราก็ปล่อยวางไง ต, ตัวเราไปซะ่าะเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางสิ่งที่ถูกดูถูกรู้ถูกเห็นเหมือนกับเราว่าเมื่อก่อนนี้เราก็เข้มงวดกวดขันพระที่มาผู้มาปฏิบัติธรรมมากตอนหลังเราก็เลยปล่อยวางพอเราเห็นว่าไม่ได้อย่างใจเราก็เลยปล่อยวาง อันนี้มันคือเอาตัวเราไปวางแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจแล้วตอนนี้เราก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสนใจแต่ครัง้งแรกเราก็สนใจมากทั้งผู้ที่มาทั้งพระทั้งคาราวะที่มาปฏิบัติธรรมเราก็สนใจมากตัวห ล, ลังๆเราก็เห็นว่าเออไม่ได้อย่างใจเราก็เลยปล่อยวางแต่เอาตัวเราไปปล่อยวางแล้วเราก็ไม่สนใจ<ส nie>อ่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นหนึ่งตอนนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยให้เราเห็นตัวเรา ตัวเราที่ไปรู้ไปเห็นอะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วเราก็ไม่ยึดถือไอ้ตัวเราเนี่ยว่ามันเป็นตัวตนของเรามันเป็นแต่สิ่งปรุงแต่งเวลาตายแล้วมันจะได้ดับหมดไอ้ตัวไอ้ตัวความรู้สึกก็เป็นตัวเราที่ไปรู้ไปเห็นไปคอยจัดการไปคอยปรุงแต่งไปคอยน่ถูกใจนี่ไม่ถูกใจนี่ต้องเข้าไปบริหารเข้าไปจัดการ่ยไอ้ตัวในไอ้ตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้ดูผู้เข้าใจผู้ ตรวจสอบเนี่ยปล่อยวางตัวเราไม่ใช่เอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะเ้าอย่างนี้ก็จบเรื่องเลยถ้าปล่อยวางตัวเราก็จบเรื่องเลยเพราะตัวเจ้าปัญหามันอยู่ที่ตัวเราใครก็จะมีปัญหาเป็นยังไงแต่ตัวเราไม่มีแล้วจบเรื่องเลยแต่ถ้าเรายังมีตัวเราคอยตรวจสอบคอยเช็คคอยดูแลคอย อะไรเนี้ยเราไปยึดเอาตัวนี้เป็นตัวเราตัวเรามันจะไม่หมดเจ้าปัญหาเลยคือตัวเจ้าปัญหาคือโทวเราที่ที่คอยเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบคอยเข้าไปวุ่นวายที น, นี้การที่มีตัวเราไปจัดการเนี่ยก็เพราะว่าสติมันไม่ทันด้วยใช่ไหมคะตัวสติยังอ่อนอยู่หรือเปล่าคะอืมก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่บวกกับปัญญาที่เรายังเข้าใจไม่ถึงที่สุดเมื่อเราเข้าใจถึงที่สุดแล้วเนี่ยเอ เราก็เห็นว่าไอ้ตัวเราผู้ไปคอยเช็คคอยตรวจสอบคอยกํากับคอยคอนโทรนเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นตัวปรุงแต่งมันเป็นตัวอาวิชาความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นตัวอาวิชาตัวใหญ่เรากวางมันไปเห็นแล้วก็วางมันไปเห็นแล้วก็วางมันไปเห็นเป็นอาวิชาตัวใหญ่ความรู้สึกเป็นตัวเรานี่ตัวเราจะเอาตัวเราไปวางไปจัดการไปปฏิหารกับสิ่งที่เราเห็นที่ได้ยินสิ่งที่เรารู้ แต่จริงเราต้องวางตัวเราที่เข้าไปรู้ไปเห็นไปจัดการเพราะไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเราผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นไปจัดการไอ้ตัวนี้มันเป็นอวิชชาตัวใหญ่ความรู้สึกตัวเราระวางตัวนี้ดันมันจะดับอวิชชาก็จะดับ เ, เ จ, บจ้าค่ะคือไปเรียนรู้เหมือนไปทําความเข้าใจว่าเวลาที่มีการจัดการเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวเราเวลาที่เราทํางานปุ๊บเนี่ยมัน เกิดกระบวนการนี้อีกแล้วเนี่ยให้เราปล่อยวางลองโยมอาจจะแบบยังยังงงว่าเอ๊ะตัวรู้ไปจัดการแล้วบังเอิญไม่เห็นตัวปล่อยวางไอ้ตัวเรามันก็เลยมีตัวเราเนี่ยเข้าไปจัดการทุกอย่างเลยโยมแมแต่ภายในจิตอะเรามินิสัยไปจัดการข้านอกอย่างไรภายในจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาเราดูรู้เห็นอาการภายในจิต <Okay. S 2> มันก็จะเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปจัดการ <Okay. S 2> เรามีนิสัยข้างนอกยังไงข้างในก็อย่างนั้นแหละเวลาเราดูรู้เห็นอะไรข้างนอกเราเป็นผู้ที่ชอบบริหารการจัดการอะไรถูกใจไม่อะไรต้องมันต้องถูกใจไม่ถูกใจไม่ได้อะไรเงี้ย mm hmm. นี่พอเรามาดูในจิตน่ยมันก็เหมือนแบบเดียวกันเนี่ยนิสัยใจกลาข้างนอกยังไงข้างในก็แบบเดียวกันคือเราก็จะเข้าไปจัดการกับที่เราดูรู้เห็นภายในจิตอย่างนี้นี่ยมันจิตมันเป็นกุศลนะ่ะมันเป็นอกุศล น, นะมัน อย่างนี้มันไม่ดีนะอย่างนี้มันดีนะเราก็จะเข้าไปจัด ก, การจะเอาแต่ที่มันดีๆที่ถูกใจอันไหนไม่ถูกใจเราก็จะเข้าไปจัด ก, การแต่เราทําอย่างนั้นอ่ะเราก็จะเคลียรเหมือนเดิมนี่ยคือเราก็จะเหมือนกับที่เราไปจัด ก, การภายนอกอเลแล้วพอเราไปรู้ภายในอย่างเงี้ยเราก็จะไปจัด ก, การเรื่องภายในทั้งหมดอ่ะอันนี้มันดีอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลเราต้องจัด ก, การอย่างนี้อันนี้มันเป็นอุศมัสิ่งไม่ดีเราต้องจัด ก, การอะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะมันต้องมาจัด ก, การตัวเราเจ้าค่ะเออปล่อยวางตัวเรา ให้เห็นว่ามันมีตัวเราตัวเราผู้เข้าไปจัดการเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นแล้วไปจัดการเราเห็นตัวเนี้ยว่ามันเป็นตัวอวิชชาเมื่อเราเห็นว่าเป็นตัวอวิชชาคือความรู้สึกตัวเราเป็นอวิชชาตัวใหญ่ปฏิจจสมุปาฏิมันเริ่มต้นได้หัวกระมวนคืออวิชชาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาตันหาอุปทานพบชาติชรามรณะทุกเนี่ย แล้วก็วนอยู่นเนี่ยอวิชาเป็นหัวขบวนใหญ่ดนั้นในความรู้สึกเป็นตัวเราไปดูไปรู้ไปเห็นไปคอยจัดการนี่เนี่ยไอ้ตัวเนี้เป็นอวิชาตัวใหญ่ถ้าระดับตัวนี้ได้ก็คือดับไปได้ว่าไปนั่นเขาคือปล่อยวางเขาเจ้าค่ะเออปล่อยวางเขาเพราเห็นว่าเป็นอวิชาก็เลยวางหมดปุ๊บวางแล้วมันก็เลยว่างจากตัวตนขอบพระคุณเจ้าค่ะอแค่นั้นแหละแต่เอเอสาหรับเรื่องการทํางานแล้วเนี่ยการจัดการภายนอก มีอยู่เมื่อเราวางภายในแล้วเราไม่มีตัวเราไปจัดการเวลาเราทำงานภายนอกมันก็ทำงานไปตามหน้าที่ไปตามอันไหนที่มันเหมาะที่ควรแต่ไม่ได้มีตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมเราก็ทำงานทุกอย่างตามเหตุตามผลตามควรตามความเหมาะสมตามความพอดีแต่ไม่มีตัวเรารู้สึกมีตัวเราเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปจัดการอยากมันเป็นไปอย่างไรไม่อยากให้มันเป็นไปอย่างไรเราก็จะทุกข์มาก ก็เหมือนกันคือมีการจัดการบริหารการจัดการเหมือนเดิมเลยแต่ไม่มีตัวเราถูกค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้งานอะไรก็ได้เข้ามาได้หมดแต่ว่าเราปล่อยวางตัวเราที่ไปจัดการเท่านั้นนี่ถูกต้องแล้วแล้ววารารับหลวงตาหมอมุนชัยครับตอนที่ครั้งที่แล้ได้มากราบหลวงตาแล้วหลวงตาได้ไปตาสอนว่าที่ติดก็คือเรื่องของที่มีไปยึดตัวรู้ว่าเป็นเราเงครับ แล้วก็หลังจากได้กันบ้านไปแล้วเนี่ยก็พยายามฝึกฝนตัวเองครับแล้วก็ฟังธรรมที่หลวงตาได้ได้ให้ตลอดนะครับแล้วก็พยายามละวางความเป็นตัวตนในแง่ของการรู้ครับไม่ทราบว่าตอนนี้มีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมไหมครับเอาตัวดี้ดหลนค้นหาเอาตัวเราไปดี้ดหลนค้นหาเรื่องอะไรไม่ได้ดดดดดไปหาไปตรวจสอบว่า เอ้ยมันถูกไม่ถูกเราใช่ไม่ใช่เราวางหมดได้ยังหรือยังไม่วางนี่อะไรยังไม่วางเอ้นี่มันถูกหรือผิดไอ้อย่างงี้เอตอนนี้เป็นไงจิตเป็นยังไงการรู้อ่างี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้อย่างงี้ตือตงรู้อย่างงี้จะถูกเอ้ยจะรู้ยังไงนี่จะถูกไอ้ตรงเนี้ยมันเอาตัวเราไปตัวเป็นเลยไปตัวปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางมันเห็นมันเห็นมันไม่ปฤติกรรมอย่างเงี้ยภายในจิตจริงๆอย่างที่หลวงตาพูดแล้วก็ เออเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็วเห็นมันเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งก็วางไปถ้าเราไม่วางมันก็จะเป็นแบบเดียวกันกับโยมนะคือมันจะเป็นอาวิชาตัวใหญ่คือเอาตัวเราไปจัดการแบบเดียวกันแต่ของหมอเนี่ยจัดการภายในแต่โยมนี่คือจัดการทั้งภายในและจัดการทั้งภายนอกเอาไปเอาตัวเราก็ไปจัดการวุ่นวายทั้งภายนอกและภายในมีตัวเราเข้าไปจัดการแต่ของหมอเนี่ยคือ มันปีตัวเราก็ไปดูไปรู้ไปเห็นไปทําความเข้าใจไปตรวจสอบอย่งนี้ใช่หรือไม่ใช่อย่างงี้มันผิดไอ้อย่างนี้ไม่เราละวางจิตอย่างนี้ถูกเรารู้อย่างนี้มันถูกไอ้มันถูกมันถูกมันผิดมันถูกตามที่อาจารย์บอกหรือเปล่าก็อย่างนี้แค่อะไรพวกมันก็ประมวลอยู่นั่นแหละถูกผิดผิดผิดถูกถูกอยู่นั่นแหละแต่จริงเอาะวางมันได้หมดไอ้ตัวเนี้เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่ง วามันไปหทุกวามันไปทัข้ขบวนเลยวางไปอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าไอ้ตัวนี้จิๆๆๆๆ้งจิ้งเกี่ยนติลุงตาพูดเนี่ยมันมีอยู่จริงเราพอเราเห็นจริงทุกขณะปฏิบัติแล้วก็วางไปมันเป็นตัวเอาวิจารมันมีตัวราตัวเราก็ไปไปร่วมทำำําความเข้าใจวางไม่หมดเห็นว่ามันตัวเป็นตัวสังขารตัวพุงแต่งนี่แสดงว่าที่ที่ ที่ผมเห็นความเป็นตัวเราเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่บางส่วนแค่นั้นเองใช่ไหมครับหลวงตายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังมองไม่เห็นใช่การไปให้ค่าเรื่องเป็นเรื่องใหญ่คืออันนั้นคือเรื่องอวิชชาเลยบอวิชชาเอออย่างครับจะพยายามไิวางครับหลวงตาสิดตรงพยายามเนี่ยครัรู้ครับ เดี๋ยวผมจะพยายามไปวางไอ้ตัวพยายามจะไปวางไอตัวนั้นเอวิชาวางก็วางเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับไปพยายามวางถ้าพยายามวางแสดงว่าท่านมีเป็นอาวิชามีตัวตนอยู่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามไปไปวางก็วางผมจะวางกับเพื่อตัวผมแต่จริงๆ ม, มันเหมือนที่บอกว่าจบที่รู้ก็คือรู้แล้วก็จบตรง น, นั้นใช่ไหมครับหลวงตา ใ, ใช่ใช่ใช่รู้อะไรก็รู้ว่ามีตัวเราวทําไมมีตัวเราแล้วมันก็ ทุกอย่างมันมีแต่แค่รู้ตัวเราไม่มีเข้าไปประสมร่วมด้วยมันก็มีแต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้ตัวกันเอาไปดูดแลจะไม่มีตัวเราเข้าไปประสมร่วมด้วยมันก็สบายว่าเปล่าแต่ทุกอย่าง ม, ม, มีไงก็มีอย่า ง, งานั้นแหะอันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแค่แค่รู้ว่ามันรู้แค่ไนใช่นะใช่รู้แค่รู้เชยก็ที่หลวงปู่ชาหมะหลวงปู่ชาหลวงปู่ที่ว่าเสี้ยววินทีเดียวที่หาผิดหาถูกนั่นคือเอาวิชาละหลง ทุกครั้งเด้ อ, อ, อเดี๋ยด้อทุกครั้งที่มีความรู้สึกมีตัวเราก็ต้องเปน็นอวิชชาทุกครั้งเพราะอวิชามันมันหลงอ่ะหลงว่ามีตัวเราเนี่ยตัวใหญ่เออจะสิ้นความรู้สึกมันไม่ดังม่ไม่ได้เปิดคือพอหลวงตาบอกว่าอาวิชามันตัวใหญ่ความกลัวมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น<อ>ทุกครั้งที่เกิดตัวเราอวิชาก็ โดยใหญ่ก็อะไรก็มีความกลัวเกิดขึ้นอีกอ่ะก็ใครกลัวละ่ะก็ตัวเรากลั ว, ว, ลวอะไรเราไม่ใจ<ช>กันเรก็เห็นมันมันจะเป็นยังไงก็ซื่อๆตรงไปตรงมาเลยของเราเนี่ยมันคอยจะไปจัดการแม้แต่รู้อันนี้พุ๊บพอลงตาบอบมันจะไปจัดระเบียบเจ้าค <c oughs> ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะไล่กันไปจนเนี่ยเดี๋ยวพอพอลงตาบอบแบบมันจะมีอย่างงี้เกิดขึ้นในจิตเราอ่ะเราก็จะไปจัดระเบียบอีกเหมือนกับว่าอืม เราเป็นคนจัดบริหารการจัดการในที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพอมีใครเรามันบอกว่าตรงนั้นมันไม่ถูกต้องตรงนี้มันเป็นอย่างนู้นอย่างเงี้พอบอกว่าตรงนี้มันเป็นอวิชชาไม่ถูกต้องในที่ปฏิบัติธรรมตรงนั้นเป็นอวิชชาน ะ, าะเราก็จะต้องจัดระเบียบไม่ได้แล้ว <c oughs> ต้องจัดระเบียบเริ่มจะจัดระเบียบไอ้คนก็ไปจัดระเบียบแล้เราบอกแล้วค่ะทุกค้าที่เขาไปจับระเบียบตัวได้แต่อวิชชาเห็นแล้วเจ้าค่ะหนิงตาคะที่ผ่านมาก็ ฟังฟังเทพหลวงตาแล้วก็ลวเลยนึกถึงหลวงตาเสมอเหมือนกับว่าก็ยังยึดอยู่ว่าเออคือคือคื อ, คอที่ที่ที่ที่ปัญหาก็คือว่ามีความมันมีความคิดนะคะมันเห็นความคิดเห็นความคิดแล้วก็รู้ว่าคิดก็รู้แต่ว่าบางทีมันเกิดความรู้สึกเบื่อว่ามันมีแต่กิเลสเข้ามาหลวงตาแล้วบางทีเราก็โอมเอ้ย คือพอเราสงบเราเออรู้พอรู้เห็นคิดรู้เราปล่อยเดี๋ยวคิดรู้แล้วปล่อ ย, ยคิดรู้แล้วปล่อ ย, อยเอ๊ะทําไมบางทีมันเกิดความรู้สึกทําทไมเรามีกิเลสเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเราจะสู้กับมันได้หรือไหมเนี่ยคือมันมันเกิดความรู้สึกว่ามันเหนื่อยค่ะทําไมเราถึงได้สกรปรกอย่างนี้ถึงได้เกิดไอ้กิเลสคือเห็นอะไรที่มันมันมันมันมันรู้ว่าว่าเออเฮ้ยตอนนี้ราคาจะเกิด น, นะ คือคือคือมันมันอึมอึมอึอึมันนั่นนัมันก็รู้คือคือคือถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะบางทีมันเกิดความท้อแท้ใจว่าเฮ้ยทาไมอคือจะไหวไหมเนี่ยคือบางทีมันดิ s t o l e r คือทําให้เออไม่สู้คือทํำไงถึงจะสู้ต่อได้ดีคือมันบอกไม่โถนะคะคือก็ยังแต่ว่าก็ คิดน้อยลงก็คือก็คือรู้สึกว่าทุกน้อยลงอะ่ะต้องต้องพูดว่าพูกทุกน้อยลงดีกว่าแต่ว่าไอการที่เราเห็นเห็นอารมณ์เราอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันอาจารย์ขอโทษอ่ะเอ่อนามคืออาจารย์มีเอาจาอีกผู้หนึ่งอะค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเธอก็รู้รู้ไปเลยเห็นมันก็อย่าไปเบื่อมันอย่าไปเบื่อมันแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูเริ่มเริ่มเริ่มเบื่อเริ่ ม, เ, มเอ๊ะทาไมมันถึง มาเข้ามาเรื่อยๆพราะว่างาน get rid off งานออกไปเสร็จว่างๆปุ๊บมาอีกละแล้วก็เห็นมันแล้วก็หายเดี๋ยวมันก็มาอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เอ้ยชั้นนี้ทําไมไม่สะอาดสเทวะอะไรเงี้ยก็คือเป็นอวิชาก็คือแบบเอาละตัวก็ที่ถ้าหลวงตาบอกก็คือตัวกูอีกละใช่ไหมเออทําทมันมีตัวกูอีกใช่ไหมคะหลวงตาอย่างนี้จจัดการกับมันยังไงดีที่ว่ามันผุดขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะ แต่ว่าก็รู้รู้แล้วเดี๋ยวมันก็หายหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็พอระาว่างงานอะไรเงี้ยปุ๊บป๊บมันก็ม่อีกละเราต้องเพิ่มสมาสมาธิหรือเปล่าคะคื อ, อยังไงยังงงตอนนี้งงงง <c oughs> <c oughs> อาจจะคําถามอะไรสาระไปหน่อยนะคะหลวงตามันก็เหมือนกับที่ <c oughs> บอกกับโยมทัง้งสองขอ้อนี่แหละเราจัดการกับปัญหาไม่ไหวเราจะต้องเพิ่มอะไรไปเพิ่ม <c oughs> <c oughs> สมัครพักพวกวันระพักก็ว่าจะต้องเพิ่มสติสมาธิปัญญาจะต้องเพิ่มตัวนั้นตัวนี้เพิ่มกําลังจิตเพิ่มอะไรก็มาเพื่อต่อสู้กับปัญญาการจัดการจริงๆอ่ะมันต้องปล่อยวางตัวไหนเนี่ยแต่นี่เราจะต้องเพิ่มกําลังของเราเพื่อจะไปจัดการทุกตัวที่มันคอยผ่านเข้ามาเข้ามาผ่าก็ขามาในใจเราจักเบื่อแล้วเนี่ยมันจัดการไม่หมดทุกทีคนเข้ามาอีกแล้วคอยเข้ามาอีกแลยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอีกแล้วเราทําให้เราสกโปรกอีกแล้วทําให้เราสกโปรกอีกแล้วทำให้เราสกปรกแต่ที่ มันมีใครยืนพื้นไว้อะเราออมันมีเรายืนพื้นไว้มันก็อย่างนี้ก็เหนื่อยตายนี่ก็ใครเราก็ยืนพื้นไว้กันกลายเป็นว่าอะไรทุกอย่างก็ผัดหน้าชนเราอยู่นั่นแหละเราก็ยืนพื้นไวถูกชนถูกอย่างนี้เราก็ปัดกวาดล้างไม่หมดมีเราอยู่ไหมเราก็ตอนนี้ก็เราก็เหนื่อยตายอย่างเงี้ยเราก็ก็เหนื่อยตายเลยใช่ทำอะไรดีค่ะลุงตาทำอะไรปล่อย มันมีนิทานเรื่องหนึ่งในของของของเซนเขาแต่ก็ไปขอความรู้ท่าก็ไม่มาไม่ไม่สอนอะไรพอถึงหลักท่านเลยท่าก็สอนอยู่แล้วพอถึงไ้ตัวกิเลสหลักท่านไม่ไม่สอนอะไรตูกความหลงเนี่ยท่าก็ไม่กวาดไปอันเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติทำอะไรเลยกวาดทั้งวันกวาดลานวัดทั้งหวันตอนนี้ลานวัดเนี่ยมันกว้างแล้วก็ใบไม้ก็ร่วงเยอะ กวาดทั้งวันด้วื่อยมากเลยเดี๋ยวมันกวาดอีกใบไม้ก็ล่วงอีกกวาดอีกก็ล่วงอีกกวาดอีกก็ล่วงอีกโอ้ยอย่างนี้เราเบื่อมากเลยเราจะต่อสู้กับมันไหวหรือใช่เหมือนกับอะไรโอ้โหอย่างนี้กิเลกก็เข้ามาอีกเรากวาดกิเลสหมดกิเลสก็เข้ามาอีกกวาดกิเลสหมดกิเลสก็เข้ามาอีกโอ้ยเบื่อมากเลยอย่างงี้เราจะไปกวาดกิเลสหมดหรือเนี่ยก็แบบเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็กวาดใบไม้ เบื่อมากเลยมันจะไปกวาดยังไงหมดวันหนึ่งอะ่ะเออก็ก็กเตรียมความไม่กวาดไปกวาดอีกบังเอิญลมพัดมาเออลมพัดมาเออลมก็เลยพัดใบไม้ไปหมดเลยลมพัดใบไม้ไปหมดเออวันนี้สบายใจไม่ต้องมีผู้กวาดวันนี้สบายใจคือไม่มีเรา เออนั่น ม, มีผู้กวาดนะต้องมีผู้กวาดอยู่ก็กวาดตายเลยใบไม้ไม่รู้จักหมดหรอกลับเรียนหลวงตาครับเอเอิญว่าไม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแต่ว่าพอก็คือสมัยก่อนก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดยึดติดแล้วก็มีตัวตนเป็นอย่างมากครับแต่พอมาช่วงอายุนี้หลังจากที่ มีเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากอยู่ๆมันก็รู้สึกเบื่อไปหมดไม่อยากอะไรไปหมดสิ่งที่เคยกังวลมันพลิกเป็นหน้ามือหลังมือเช่นกังวลว่าบิดามารดาจะเสียชีวิตกังวลด้านสุขภาพบิดามารดาก็ก็กลายเป็นอยู่ๆก็ไม่กังวลสิ่งที่เคยชอบสมัยก่อนก็จะชอบพวกแฟชั่นความสวยความงามตอนนี้ก็ก็รู้สึกเฉยๆหรือ สิ่งที่เราเคยชอบในอดีตเนี่ยมันก็มันก็รู้สึกเฉยเฉเราก็พยายามไปทําเอาไปทำตั้งพักมันก็เบื่อไม่เหมือนเดิมก็เลยไม่เข้าก็เลยเกิดความสงสัยว่าอันเนี้ยมันเป็นกิเลสลัทธิจิตว่างคือตอนเนี้ยคือความคิดความคิดเนี่ยมันก็ก็มองไม่ค่อยเห็นมันเหมือนกับไม่ค่อยมีความความคิดอะไรความคิดอะไรออกมาก็พยายามที่จะหาว่าเราะคิดอะไร บางบางอย่างเราก็รู้ตัวแต่ว่ารู้สึกว่าความคิดของเราการอ่านความคิดของเราตอนนี้มันออกมาน้อยมากกลัวว่าจะเป็นพวกลัทพิจิตว่าไม่ใช่ใช้ปัญญาในการในการจับก็คือกลัวว่าจะกลัวว่าจะหลงทางออกไปอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะทําให้เกิดผลร้ายในอนาคตนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้กลัวผลร้ายในอนาคตตอนนี้ก็คือ เหมือนกับทุกอย่างว่างไปหมดเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรจากเดิมที่เราเคยมีเป้าหมายก็ mm hmm. ก็กลายเป็นว่าไม่มีอะไรครับก็เลยกลัวว่าสิ่งเนี้มันจะเป็นความผิดปกติที่เกิดขึนครับ mm hmm. หรือว่ามันมันเป็นอย่างไรครับเราก็อ่านใจเราให้ขาดไปอ่านใจเราให้ขาดว่าแอบไปยึดอะไรอยอ่เปล่าล่ะคือ หมถึงว่าข้างนอกเราไม่ค่อยยึดอะไรแล้วก่อนเรายึดเรากลัวเรากังวลมากอ่ะก็ผ่านไปหมดแล้วทุกอย่างเราก็ไม่ยึดแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ายึดใจมันก็ละของมันเองคลายของมันเองแล้วก็เราก็อ่านใจว่าเราอยู่กับความรู้แก่ใจว่ารู้แก่ใจนะรู้แก่ใจว่าไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรที่เราไปยึดก็การใช้ชีวิตก็ตามปกติธรรมชาติปกติธรมธรมดาธรรมดา แต่ไม่เข้าไปยึดอะไรเป็นพิเศษมีไหมล่ะเราไปยึดอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะหรือว่าก็แก่ทำงานตามปกติธรรมชาติเราก็อ่านใจร้อยขาดว่ะเราเนี่ยมีความเข้าไปหลงยึดอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะดูพอไปดูปุ๊บมันก็ไม่ใช่มันก็เบื่อออกมาเลยเออก็ได้ลนะนั่นเองเราเป็นผู้มีปัญญาแนละ้วแล้วมีอะไรกันมันก็แต่ว่ากังวลว่าทุกว่าตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมัน ว่างไปหมดจากเดิมที่เราเคยมีโปรเจกต์จะทํานูน่ทนทํานี่ก็กลายเป็นว่าเราทําตามหน้าที่แต่ว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้มันจะผลยังไงก็ได้แต่ว่าสมัยก่อนมันไม่ใช่ครับสมัยก่อนคือมันต้องได้ต้องร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้คือเราทําอยู่ๆจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกรู้สึกกลัวในตัวเองว่ามันจะยังไงครับหรือว่ามันยังเป็นอวิชาที่ยังมีอยู่ โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ไอตัวนั้นเนะี่ยตัวอวิชาก็คือมีตัวเราไปกังวลไปหาเอ๊ะเรากลัวว่ามันจะเป็นอวิชาอยู่โดยเราไม่รู้ตัวมันก็เลยมีความห่วงใ ย, ยตัวเองใช่ไหมมีความห่วงใ ย, ยตัวเองเดี๋ยวเราจะเป็นอวิชาโดยไม่รู้ตัวอันนั้นคืออวิชาไม่เก็ตเขาจะเข้าใจไหม บุญใหม่พุ่นใหม่คุณว่าเราจะเป็นอวิชชาหรือจะเป็นหรือว่าจะปฏิบัติผิดก็ถือว่าเป็นอวิชชาเพราะว่า <c oughs> เร า, เราต้องวงเนี่ยก็ห่วงตัวเราเนี่ยมันมีตัวเราอยู่เ <c oughs> มื่อไหร่มีตัวเราก็มันก็เป็นอวิชชาแล้วไม่แน่ใจว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงให้ให้เราไม่ห่วงจุดนี้เพราะว่ามัน มันเป็นก็บอกว่าถ้าเข้าไปตารวจแล้วมันเป็นอวิชชาอะไ ร, รถ้าก็อครับมันก็หายไปจากใจเราแล้วก็ไหนๆปัจจัยแบบอย่างที่ท่านรู้เห็นอะไรก็เข้าไปเห็นมันว่าเป็นอวิชชามันก็หมดห่วงไปเพราะความห่วงตัวเราเป็นอวิชชาที่นี้อยากเรียนถามหลวงตาว่าถ้าสมมุติว่าเราไปาวางและสิ้นหมดแล้วมันจะลักษณะแบบนั้นมันจะเป็นแนวไหนครับ อันนั้นก็เป็นอนาคตแต่ปทําเมาครับไป็นทำเมาอยู่กับปัจจุบันที่ท่านพูดไว้อยู่กับปัจจุบันอดีตเป็นทําเมาอนาคตเป็นทําเมาในความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันครับอือเราเราจําเป็นต้องต้องรีบไปฝึกเพื่อให้มันละหมดเลยหรือว่าเราปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติตามอรีบที่เรารีบไปฝึกเพื่อมันละหมดักิเลสละกิเลสมันเริ่มเกิดเดี๋ยวนี้ละมหมดคลองสายเหรอ ออ่าาตนนี้มกับนบกกรรสรหลวงตาค่ะเมื่อวานนี้ที่หลวงตาได้บอกว่าตัวใจหนูอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ออกไปคราวนี้เราก็เลยได้เห็นความแตกต่างของการที่ให้มันกลับมาอยู่กับเราคือเราได้เรียนรู้ถึงว่ามันออกไปแล้วมันมันเป็นยังไงแล้วพอเรามันกลับมาที่ตัวก็คือ ให้ใจที่ว่าออกไปอะค่ะที่หลวงตาว่าว่ามันออกมันกลับมาอยู่ที่ตัวเนี่ยก็คือเราเห็นความแตกต่างมันแล้วแล้วเราก็เลยมานึกถึงว่าเออถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเราสามารถตั้งทุกอย่างไว้ที่ใจอะค่ะแบบว่าตาหูจมูกลิ้นใกล้ใจอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันกระทบกระทบกระทบได้ทุกจุดแล้วเรามันอยู่มาอยู่ได้ตรงนี้จริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอย่างที่หลวงตาใช้คำว่ารัวนะคะ หนูก็รู้สึกว่าเออถ้าเรารู้ตรงนั้นได้จริงๆอ่ะหนูรู้สึกมันไม่มีขบวนการอะไรมันก็แค่ว่าเรารู้แล้วมันก็เหมือนมันก็หายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมามา่เมืม่อกลงวันเนี่ยค่ะพอเช้ามาเรารู้สึกว่าเราเรากลับเอาเอาตัวที่มันออกไปที่ลงตาว่าเนี่ยมากับอยู่กับตัวมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความคิดในยเยอะมากและถี่มากแต่ว่าเราไม่ได้ไปจับมันเราแค่รู้ยเองค่ะ พอสักพักหนึ่งมันก็เลยมามาม า, มาสรุปได้อย่างที่เมื่อกี้ที่หนูพูดนะคะว่าถ้าเกิดเราตั้งไว้ตรงนี้ได้จริงจอ่ะมันก็จะแค่รู้แล้วมันก็ไปหายไปไม่ได้มีขบวนการอะไรที่แบบต้องตัง้งต้องดูต้องเห็นต้องหาต้องมันไม่มีเลยใช่ไหมคะหนูเข้าใจถูกไหมคะหนูก็จะพยายามเอาตัวนั้นมาอยู่กับตัวให้ให้ให้มาก กลับขอบพระคุณหลวงตา ม, มากๆเลยค่ะแล้วหนูต้องมีเขาเรียกนะไม่มีเนาะไม่มีอะไรแตกว่ารู้ทันเราจะไปดาวิชาแสดงว่ารู้ทัน